เจ้าระยท่านผู้มีเจตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่แปดพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาศึกษาวิธีที่จะ นำพาชีวิตให้ไปสู่ความร่มเย็ยนเป็นสุขห่างไกลจากภัยอันตรายทั้งหลายทางพระพุทธศาสนาท่านก็สอนว่าภัยนั้นมีอยู่สองชนิดด้วยกันคือภัยที่เราห้ามไม่ได้และภัยที่เราห้ามได้ภัยที่เราห้ามไม่ได้ก็คือ เรื่องดินฟ้าอากาศเป็นต้นเช่นน้ำท่วมไฟไหม้พายุแผ่นดินไหวนี่เป็นเรื่องของเหตุการณ์ทางธรรมชาติเป็นภัยพิบัติที่เราไม่สามารถห้ามได้และวิบากกรรมที่เราได้ทำมาก็เป็นภัยที่เราห้ามไม่ได้เช่นเดียวกัน เราเคยทำบาปทำกรรมมาอย่างใดพอถึงเวลาของผลบาปเขาจะส่งผลก็เกิดเป็นเหมือนเป็นภัยเกิดขึ้นกับเรามีคนมาทำร้ายเรามีคนเข้ามากันแกล้มาทำในสิ่งที่ไม่ดีกับเราอันนี้ก็เป็นเรื่องของวิบา ก, กรรมที่เรา ได้ทำไปแล้วเราแก้ไม่ได้แต่ภัยที่เราแก้ได้ก็คือการกระทำของเราในปัจจุบันถ้าเราเคยทำบาปทํากรรมมาเราแก้ได้เราอย่าไปทำบาปทํากรรมเราทาแต่บุญทาแต่กุศลต่อไปวิบา ก, กรรมต่างๆ ก็จะไม่เกิดขึ้นจะเกิดแต่ผลบุญผลกุศลที่ส่งเสริมให้ชีวิตของเรามีความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรือง ม, มีความสุขและหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับต่อไปนี่คือสิ่งที่เราทำได้อย่างที่พระพุทธเจ้า และพระอาหาัยตระสาวกทั้งหลายท่านได้ทำกันได้ปฏิบัติกันแล้วท่านก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่พวกเราเพื่อที่พวกเราจะได้าำนินชีวิตไปในทางที่ถูกที่ควรที่จะนำมาซึ่งความล่มเย็นปันสุขซึ่งจะนำมาซึ่งการ ห่างไกลจากภัยทุกบัติต่างๆดังนั้นเราจึงควรที่จะสนใจศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้มากๆเพราะถ้าเราได้ยินได้ฟังได้ศึกษามากเท่าไหร่เราก็จะได้รู้ได้เข้าใจ วิถีทางของการนำเนินชีวิตของเราเพื่อให้เราได้เป็นเหมือนกับพระพุทธเจ้าและเป็นเหมือนกับพระอาหารหันตสาวกเพราะเรากับพระพุทธเจ้ากับพระอาหารหันตสาวกภนี่ก็เป็นมนุษย์เหมือนกันมีความรู้ความสามารถที่เราจะสามารถนำเอามาใช้ ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์ได้เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าก็มีอาการ32ิพวกเราก็มีอาการ32สองพระพุทธเจ้าทำอะไรได้ถ้าเราทำตามเราก็จะทำได้เหมือนกันดังนั้นอยู่ที่ว่าเราจะทำหรือไม่ถ้าเราไม่ทำเราก็จะเดินไปอีกทางหนึ่ง ทางตรงกันข้ามกับทางที่พระพุทธเจ้าสอนให้เดินถ้าเดินไปสวนทางกับที่ทางของพระพุทธเจ้าก็จะเดินไปสู่ความหายณนะไปสู่ความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆดังนั้นขอให้เราพยายามศึกษาให้รู้จักทางของพระพุทธเจ้า เพื่อที่เราจะได้ไม่หลงทางกันทางของพระพุทธเจ้าก็คือให้คิดดีพูดดีทำดีการที่เราจะคิดดีพูดดีทำดีได้พระองค์ทรงตรัสว่าเราต้องมีพรหมวิหารสี่คุณธรรมสี่ประการที่จะทำให้เราคิดดีพูดดีทำดี ที่จะทำให้เราไม่คิดร้ายพูดร้ายทำร้ายใครพรหมวิหารสี่คืออะไรก็คือเมตตาการุณาบุดิตาอุเบกขานี่คือทำสี่ประการด้วยกันถ้ามีอยู่ภายในใจของผู้ใดแล้วจิตใจของผู้นั้นก็จะคิดดีจะพูดดีจะทำดี ถ้าไม่มีความเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาแล้วใจก็จะคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายเมื่อคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายแล้วก็จะมีผลร้ายตามมามีความวุ่นวายความทุกข์ตามมาดังนั้นขอให้เรามาเจริญพรมวิหารสีกันถ้าเรามีพรมวิหารสีแล้ว เราก็จะคิดดีพูดดีทำดีแล้วเราก็จะได้รับแต่ผลดีอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายได้รับ ก, กันก็เพราะว่าท่านมีพรมวิหารสีอยู่ภายในใจนั่นเองคือท่านมีเมตตาเมตตาแปลว่าอะไรก็คือความปรารถนาดี ความคิดที่อยากจะให้ผู้อื่นมีความสุขไม่คิดอยากจะทำร้ายผู้อื่นไม่ว่าเขาจะทำอะไรกับเราก็ตามอย่างเวลาที่เราสวดมนต์บทแผ่เมตตาเวลาที่เราสวดนั้นเป็นการศึกษาเป็นการสอนใจ ยังไม่ได้แผ่อย่างจริงจังเป็นเหมือนกับการทำการบ้านยังไม่ได้เข้าห้องสอบถ้าเราไม่ทำการบ้านเวลาเข้าห้องสอบเราจะสอบตกดังนั้นพระุทธเจ้าจึงสอนให้เราทำการบ้านอยู่เรื่อยๆให้ศึกษาวิธีแผ่เมตตาอยู่เรื่อยๆว่าทำอย่างไร พระองก็ทรงสอนอยู่สประการด้วยกันสำเบสัตตาอเวราโหงตุสำเบสัตตาอบปยาปัชชาโหงตุสำเบสัตตาอนิคาโหงตุสำเบสัตตาสุขีอัตานังปะริหะวันตุนี่คือลักษณะของการเจริญเมตตาบีอยู่สี ลักษณะด้วยกันคำว่าสัตเพสัตตก็หมายถึงสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงสัตว์ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเดรัจฉานแต่หมายถึงสัตว์ที่มีการเวียนว่ายตายเกิดเช่นมนุษย์เทวดาและเดรัจฉานเปรตเดเหล่านี้เรียกว่าสัตว์คือดวงจิตที่ยังเวียนว่ายตายเกิด อยู่ในภพน้อยภพใหญ่อยู่นี่เราเรียกว่าเป็นสัตว์ดังนั้นเวลาที่เราพบกับบุคคลต่างๆไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาหรือเป็นเดรัจฉานเป็นเปรตเป็นผีท่านสอนให้เราสัพเพสัตตาเวราหนตุ คืออย่าจองเวรจองกรรมกันวิธีที่ไม่จองเวรจองกรรมก็ต้องยกโทษให้อภัยต่อผู้ที่เขาทำให้เราเสียหายทำให้เราเดือดร้อนอย่าไปจองเวรจองกรรมกันเพราะจะทำให้เรื่องบานปลายเป็นเหมือนน้ำพึ่งหยดเดียวที่จะขยายออกไปจนกล เป็นสงครามขึ้นมาให้เราคิดเสียว่าเมื่อเรามาเกิดอยู่ในโลกนี้แล้วเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะต้องพบปะกับบุคคลต่างๆพบปะกับการกระทําของบุคคลต่างๆที่มีนานาจิตต่างบางทีเราก็พบกับคนใจบุญเขาก็ทําดีกับเรา เวลาที่เราพบกับคนใจบาปเขาก็ทำร้ายเราแต่เราต้องยอมรับความจริงว่าเกิดมาอยู่ในโลกนี้เราจะไปเลือกเอาแต่คนดีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าชีวิตของเราบางทีมันถูกบังคับต้องเดินไปทางนี้เช่นเวลาเราไปทำงานถ้าเราไม่ทำงานเราก็ไม่มีรายได้ ถ้าเราทำงานคนงานที่เราร่วมทำกันก็อาจจะมีทั้งคนใจบุญทั้งคนใจบาปปะปนกันไปถ้าจังหวะของเราไปเจอคนใจบาปเข้าเขาพูดไม่ดีเขาทำไม่ดีกับเราเราจะทำอย่างไรเราจะตอบโต้หรือถ้าเขาทำไม่ดีเราทำไม่ดีกลับไป เขาก็จะทําไม่ดีกลับมาแรงกว่าเก่าเพราะนี่คือเหตุที่จะทําทให้เขาทําร้ายเราเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆไม่ใช่เป็นเหตุที่จะทําทให้เขาหยุดทําร้ายเราวิธีที่จะหยุดให้เขาหยุดทําร้ายเราก็คือเราต้องนิ่งเราต้องไม่ตอบโต้แล้วการนิ่งของเรานี้มันจะทําให้จิตใจของเราสบาย ไม่ทุกข์ไม่ร้อดไม่คิดร้ายถ้าเราให้อภัยไม่ได้ยกโทษให้เขาไม่ได้เราก็จะคิดร้ายกับเขาเราก็จะอาฆาตพยาบาทเราก็จะพยายามหาวิธีทําร้ายเขาให้ได้และพอเราทําร้ายเขาไปแล้วเขาก็จะ กลับมาทําร้ายเราอีกเราก็จะต้องหวาดกลัวเราต้องคอยหลบหลบซ่อนๆ น, นี่ไม่ใช่เป็นวิธีที่จะทําให้ชีวิตของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขวิธีที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขก็มีคนใช้สูตรสามยอ่อคาว่าสามยอแปลว่าอะไรยอที่หนึ่งคือยอม ยอมแพ้ยอที่สองก็คือหยุดพอยอมแพ้แล้วเราก็จะหยุดต่อต้านต่อสู้พอเราหยุดต่อต้านต่อสู้เราก็จะได้ยอที่สามก็คือเย็นได้ความเย็นใจได้ความสบายใจอันนี้สำคัญที่สุดไม่มีอะไรในโลกนี้จะสำคัญเท่ากับความเย็นใจสบายใจ ต่อให้เรามีเงินทองกองเท่าภูเขาเราก็ไม่สามารถที่จะรักษาเงินทองกองเท่าภูเขาไว้ได้ไม่ช้าก็เร็วเวลาที่ร่างกายตายไปของต่างๆเงินทองกองเท่าภูเขาก็จะเป็นของคนอื่นไปแต่ความเย็นใจนี้ไม่มีใครเอาไปจากเราได้เพราะความเย็นใจอยู่กับใจ เราอยู่กับใจเราเป็นใจเราใจเย็นเรามีความสุขเราไม่ต้องมีสมบัติกองเท่าภูเขาเราไม่ต้องมีร่างกายนี้เราก็ยังมีความเย็นใจสุขใจได้นี่แหละคือความสำคัญพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าให้เราสละทุกสิ่งทุกอย่างเช่นให้สละทรัพย์สละอวัยวะ สละชีวิตเพื่อรักษาความเย็นใจอันนี้เองอันนี้แหละเป็นสิ่งที่มีความสำคัญกับเรายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เราให้มีเงินทองกองเท่าภูเขามีตำแหน่งสูงเตือนถึงมาหาจากกักรพรรดิแต่จะไม่มีความเย็นใจจะไม่มีความสุข เหมือนกับการดีความเย็นใจความเย็นใจนี่แหละคือในที่สุดขั้นสูงสุดก็คือพระนิพพานนี่เองดังนั้นขอให้พวกเราอย่าไปหลงยึดติดไปรักไปหวงกับสิ่งต่างๆทั้งหลายในโลกนี้เพราะเขาเป็นของชั่วกราวเขาไม่ใช่เป็นของเราอย่างแท้จริง และเขาจะไม่สามารถทำให้เรามีความเย็นใจได้แต่กลับจะทำให้เรามีความร้อนใจเวลาเรามีอะไรแล้วเราจะทุกข์กับของที่เรามีกลัวจะหายกลัวจะถูกคนอื่นมาแย่งเอาไปความกลัวนี้ก็เป็นความร้อนใจและเวลาหายไปก็เสีย อ, อกเสียใจ ถ้ารู้ว่าใครเป็นคนมาแย่งเอาไปก็จะโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทขึ้นมาแทนที่จะมีความเย็นใจกับทรัพสมบัติเข้าของเงินทองต่างๆกับ ต, ต้องมาวุ่นวายต้องมาร้อนกับของต่างๆเหล่านี้เพราะพระพุทธเจ้าท่านเคยสัมผัสมาแล้วเคยเป็นถึงพระราชโอรส มีพระราชทรัพย์มีประสาทสามฤดูมีบริษัทบริวารห้องร้อมตลอดเวลาแต่ใจของพระองค์กลับไม่เย็นใจของพระองค์กลับร้อนอยู่ตลอดเวลาร้อนด้วยความวิตกกังวลร้อนด้วยความห่วงใยร้อนด้วยความหวงพระองค์จึงตัดสินพระทัยว่า ไม่เอาแล้วของเหล่านี้มันทำให้ใจเราร้อนไม่ได้ทำให้ใจเราเย็นสิ่งที่ทำให้ใจเราเย็นก็คือความสงบของใจที่เกิดจากการปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองนี่คือความใจร้อนกับความใจเย็นที่พระพุทธเจ้าได้เคยสัมผัส จึงเห็นความแตกต่างเห็นคุณค่าว่าการมีอะไรมากๆนี้ไม่ได้ทำให้ใจเย็นแต่การไม่มีอะไรเลยการอยู่ตามลำพังไม่มีอะไรมาห้อมร้อมมาทำให้ใจวิตกกังวลห่วงใ ย, ยนี่แหละเป็นการทำให้เกิดความใจเย็นขึ้นมาเกิดความเย็นใจขึ้นมา เกิดความสุขที่วิเศษขึ้นมาที่ไม่มีอะไรในโลกนี้สามารถทำให้กับใจได้พ <Yeah. S 1> ระองค์จึงก้าตัดสินพระทัยสละราชสมบัติ <Yeah. S 1> แล้วก็ไปอยู่ตามลำพังในป่าเปริกวิเวกแล้วก็สอนใจให้ยอมให้หยุด <Yeah. S 1> ให้ยอมแพ้อย่าไป หาอะไรอย่าไปมีเรื่อง เ, อาเรากับใครอย่าไปต่อสู้อย่าไปอยากได้อะไรพอถ้าหยุดได้แล้วใจก็จะเย็นใจก็จะสบายนี่คือสัตเปสัตตาเอาเวลาผลตุเวลาใครพูดไม่ดีทำไม่ดีกับเราขอให้เรายอมแพ้เพราะแพ้เป็นพระชนะเป็นมา เวลาแพ้แล้วใจจะสงบใจจะเย็นเวลาไม่ยอมแพ้นี้ใจจะทุกข์ใจจะเครียดจะพยายามหาวิธีหาหนทางที่จะไปตอบโต้หาวิธีที่จะไปทำร้ายผู้ที่มาทำร้ายเราใจแทนที่จะสงบเย็น ใจกับกายเป็นมารไปเป็นยักษ์ไปคิดที่จะทำร้ายผู้นี้เรียกว่าใจยักษ์ใจมารถ้าอยากจะเป็นพระใจเป็นพระต้องยอมหยุดแล้วก็เย็นนี่คือการแผ่เมตตาตอนต้นเราก็ต้องเอามาซ้อมภายในใจก่อนคิดถึงเหตุการณ์ที่จะทำให้เราโกรธเช่นมีคนมาด่าเรา มีคนมากันแกล้งเราเราต้องคิดแล้วก็ต้องสอนใจว่าเราห้ามเขาไม่ได้เราอยู่ในโลกนี้เราต้องเจอทั้งคนดีและคนไม่ดีต้องรับวิบากของเราที่เราเคยทำมาในอดีตมีทั้งบาปมีทั้งบุญเวลาเราเจอสิ่งที่ร้ายกาบไม่ดี ก็อา้คิดว่าเป็นเรื่องของวิบากของเราในอดีตถ้าไม่ใช่วิบาสก็ถือว่าเป็นความซวยของเราที่จะต้องมาเจอคนไม่ดีเพราะว่าเราต้องอยู่ตรงนั้นเราต้องมาทำงานในที่นั้นเราต้องไปโรงเรียนอย่างไปโรงเรียนเราก็ต้องไปเจอคนดีและคนไม่ดี แม้แต่เด็กอนุบาลเด็กประถมก็จะต้องเจอเหมือนกันเจอเพื่อนที่ดีเจอเพื่อนที่ไม่ดีเวลาเจอเพื่อนไม่ดีก็ร้องไห้กลับมาฟ้องแม่บอกแม่หนูคนนี้เขาทําทอย่างนู้นทําอย่างนี้ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเป็นเด็กเล็กเด็กน้อยเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ต้องเจอเหมือนกันมาบวชอยู่ในวัดในวาก็เจอเหมือนกันะ มีอยู่ทุกขนทุกแห่งคนดีคนไม่ดีดีมากดีน้อยมีอยู่ทุกแห่งไม่ว่าจะอยู่ในวัดหรืออยู่นอกวัดอยู่ในบ้านหรืออยู่นอกบ้านไปที่ไหนถ้าไปเจอคนแล้วเตรียมตัวเตรียมใจไว้เถอะว่าจะต้องเจอเข้าอย่างแน่นอนไม่ช้าก็แล้ววิธีเจอก็คือหัดแผ่เมตตาไว้หัดยอมแพ้ หาผ้าขาวมาเตรียมไว้หาธงขาวมาเตรียมไว้พอเจอใครก็ยกธงขาวขึ้นเลยบอกข้าพเจ้ายอมแพ้ยกให้ท่านเป็นใหญ่ยกให้ท่านเก่งท่านอยากจะดา่ดาด่าไปให้พอเลยข้าพเจ้าจะคิดว่าดีแล้วเขาเพียงแต่ด่าเราเขายังไม่ตีเราถ้าเขาตีเราก็ให้คิดว่าดีแล้ว เขายังไม่ฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็คิดว่าดีแล้วจะได้หมดเวรหมดกรรมจะได้ไปเกิดที่ดีกว่านี้ถ้าใจเราเย็นใจเราสงบแล้วไปสู่สุขคติถ้าใจเราร้อนเวลาตายไปนี้ไปสู่ทุกขติไปสู่อบายเราอยากจะไปทางไหนไปสุกคติหรือไปทุกขคติ เวลาคนตายเรามักจะบอกเขาว่าขอให้ไปสู่สุคติเถิดสุขติไปสู่ที่ชอบที่ชอบเถิดจะไปได้อย่างไรถ้าใจร้อนใจให้อภัยไม่เป็นใจยังโกรธยังเกลียดยังอาฆาตพยาบาทอยู่ดงั้นต้องรู้จักยอมแพ้พอยอมแพ้แล้วก็จะหยุดต่อต้านหยุดต่อสู้ ปล่อยเขาทำไปเขาด่าได้ก็ปล่อยเขาด่าไปเราเดินหนีได้เราก็เดินหนีไปเท่านั้นเองไม่ต้องไปประชานหน้ากันไม่ต้องไปด่ากับเขาตีเราไม่ต้องไปตีกลับเพราะทำอย่างนั้นแล้วเดี๋ยวมันจะถึงขั้นฆ่ากันตายได้แต่ถ้าเขาด่าเราเราเดินหนีเขาว่าเราหน้าตัวเมียก็เรื่องของเขาปากของเขา เราไม่ใช่หน้าตัวมีเราเป็นพระแพ้เป็นพระชนะเป็นมารให้ท่องคาถานี้ไว้เขาก็จะว่าเราอย่างไรก็ปล่อยเขาว่าไปเราไม่ไปสนใจเรารักษาใจตัวเดียวใจนี้สำคัญที่สุดทำใจให้เย็นแล้วสบายแล้วคนที่ด่าเรานั่นแหละมันจะร้อนมันจะทุกข์ไปเองเพราะยิ่งดา่าเรายิ่งเย็นมันก็ยิ่งร้อนอยห นี่คือวิธีแผเมตตาต้องซ้อมไว้ก่อนคิดไว้ก่อนอย่าไปรักอย่าไปหวงอะไรทั้งนั้นถ้าเขาเอาไปได้ให้เขาเอาไปตายไปก็ไม่มีใครเอาไปได้เราก็เอาไปไม่ได้เขาก็เอาไปไม่ได้เขาถ้าเขามีความสามารถที่จะเอาจากเราไปได้ก็ให้เขาเอาไปไปแล้วเราจะได้สบายไม่ต้องหวงไม่ต้องหวงอีกต่อไป อยู่คนเดียวตัวเปล่าแสนจะสบายแต่เราไม่รู้กันเพราะเราถูกความหลงหลอกให้เราคิดว่าเราต้องมีมากๆเราถึงจะมีความสุขแต่ความจริงแล้วยิ่งมีมากยิ่งมีความทุกข์มากเพราะในที่สุดก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปมีน้อยก็ทุกน้อยคนขอทานนี่เวลากขาตายเขาไม่ค่อยทุกข์เท่าไหร่เขากลับดีใจว่า หมดเวรหมดกรรมสถทีจะได้ไปเกิดเพื่อจะได้ไปเกิดน่มรวยต่อไปอยู่เป็นขอทานนี้เวลาตายมันไม่มีอะไรต้องสูญเสียไม่มีอะไรต้องมาวุ่นวายใจไม่เหมือนกับมหาเศรษฐีก่อนจะตายก็วุ่นวายแล้วว่าของเหล่านี้เงินเหล่านี้จะให้ใครดีให้คนนั้นดีหรือเปล่ปาให้คนนั้นเดี๋ยวเกิดมันมาดาเราจะทำอย่างไร ให้คนนี้นอกเดี๋ยวเกิดอมันเอ า, า, เนาไปผลานหมดจะทำอย่างไรปวดหัวทั้งๆ ท, ท, ที่ยังไม่ตายและเวลาที่จะตายก็ต้องเสียดายเสีย อ, อกเสียใจใจไม่สงบใจวุ่นวายนี่แหละเรื่องของการมีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองต่างๆหรือแม้แต่มีชีวิตร่างกายนี้ มันเป็นเหตุที่ทำให้ใจของเราร้อนไม่ใช่ทำให้ใจของเราเย็นเพราะพระเจ้าจึงต้องสอนว่าให้สละทรัพย์ให้สล ะ, ะอวัยวะให้สละชีวิตเพื่อรักษาความเย็นใจอันนี้อันเดียวถ้าสละได้แล้วใจเราจะเย็นทันทีอย่างวันนี้ญาติโยมมาสละอะไรญาติโยมก็มาสละทรัพย์ เอาข้าวของเงินทองไปซื้อข้าวซื้อของแล้วก็เอามาถวายพระอันนี้ก็เรียกว่าสละทรัพย์แล้วสละแล้วเป็นไงใจร้อนหรือใจเย็นใจมีความสุขหรือใจมีความทุกข์นี่แหละเป็นวิธีหัดแผ่เมตตาตอนนี้เรากําลังแผ่เมตตากันแต่เราควรจะแผ่กับคนที่เราไม่ชอบด้วยอย่าไปแผ่กับคนที่เราชอบ การแผ่กับคนที่ชอบนี่มันง่ายขอสอบมันง่ายแต่ถ้าอยากจะได้คะแนนสูงๆได้คะแนนเยอะๆต้องแผ่กับคนที่เราไม่ชอบคนที่เขากำลังจะคิดทำร้ายเราไปแผ่ให้กับเขาเขาจะทำร้ายเราก็ซื้อของไปให้เขาซื้ออะไรไปให้เขาแผ่เมตตาไปให้เขาถ้าเราทำได้ในที่สุด ใจของเขาก็จะต้องอ่อนลงเองเพราะธรรมย่อมชนะอาธรรมเสมอธรรมก็คือความเมตตาอาธรรมก็คือการอาฆาตพยาบาทจองเวรจองกรรมขอให้เราทําอย่างที่พระพุทธเจ้าทําเถิดแล้วรับรองได้ว่าเราจะชนะเราจะเป็นผู้ชนะอย่างแท้จริงท่านดูองค์คุลิมานพยายามที่จะฆ่าพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้ายัางไม่ฆ่าพระองคุลีมาเลยทั้งๆ ท, ที่พระองค์มีอิทธิฤทธิปฏิหารที่จะสามารถทำได้แต่กลับไม่ทำกลับใช้ความเมตตาแทนแล้วผลเป็นยังไงก็ได้ได้มิตรกลับมาได้สาวกใหม่ขึ้นมาอีกคนหนึง่งแทนที่จะได้สับรูกลับได้มิตรกลับคืนได้ได้มิตรเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคน ได้สาวกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งคนถ้าเป็นพวกเราเราจะทําอย่างพระพุทธเจ้าหรือเปล่าถ้ามีคนตามจะฆ่าเราเราจะเราจะไม่ไปทําร้ายเขาได้หรือเปล่าเราจะเปลี่ยนให้เขาเป็นมิตรได้หรือเปล่าเราจะแผ่เมตตาให้กับเขาได้หรือเปล่านี่แหละคืออํานาจข อ, ของความเมตตาที่พระเจ้าสอนให้พวกเรามาเจริญกัน ขอให้พวกเราพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าชีวิตของเราจะมีความล่มเย็นเป็นสุขเพิ่มมากขึ้นไปเพราะ อ, อ น, นิสงค์ของการแผ่เมตตาท่านก็แสดงไว้แล้วว่าจะเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายจะมีเพื่อนมากขึ้นจะมีศัตรูน้อยลงไปเวลาตื่นก็มีความสุขเวลาหลับก็มีความสุข เวลานอนหลับก็จะไม่ฝันร้ายและจะไม่ตายด้วยการถูกยาพิษหรือถูกอาวุธชนิดต่างๆทำลายเพราะจะไม่มีใครคิดร้ายกับเราเพราะเราเป็นคนดีเราทำแต่สิ่งที่ดีคนดีจึงไม่ค่อยจะถูกไม่ได้ตายด้วยอาวุธเช่นมีดเช่นปืนหรือยาพิษต่างๆแต่คนที่ ตายด้วยมีดตายด้วยปืนตายด้วยยาพิษนี้เป็นคนที่ไม่มีความเมตตานั่นเองไม่รู้จักให้อภัยไม่รู้จักคําว่าสัพเทสตาอเวราผลตุดังนั้นขอให้พวกเราพยายามซ้อมแผ่เมตตาเตรียมตัวเตรียมใจรับกับเหตุการณ์ที่ร้ายแรงที่จะเกิดขึ้นกับเราถ้าเรามีความเมตตา ใจของเราจะปลอดภัยร่างกายนี้เป็นเรื่องที่เราห้ามไม่ได้ถ้าถึงเวลาที่มันจะต้องรับวิบากที่มันจะต้องตายไปต่อให้พระพุทธเจ้าก็ห้ามไม่ได้ต่อให้เทวดาก็ช่วยไม่ได้มีธรรมะเท่านั้นที่จะทำให้เราไม่วุ่นวายใจให้เราเย็นใจสบายใจก็ขอให้พวกเราพยายาม จเจริญเมตตากันอยู่เรื่อยๆศึกษาวิธีแผ่เมตตาแล้วนำเอาไปปฏิบัติแล้วต่อไปเราจะเป็นผู้ชำนาญในการแผ่เมตตาและเราจะได้รับอนิสงค์ของการแผ่เมตตาคือชีวิตที่มีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขปราศจากพิษภัยอันตรายต่างๆอย่างแน่นอน การแสดงก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีวัตนตรและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวนาสุขภะละโดยทั่วหน้ากันเทอ